บทสรุปข้าพเจ้าได้กล่าวเรื่องหลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดมาพอสมควรแล้วถ้าท่านผู้อ่านอ่านอย่างพินิษ์พิเคราะห์ด้วยใจที่มีมีอคติทางด้านไม่เชื่อมากเกินไปแล้วท่านคงได้รับความรู้และความเข้าใจใหม่ๆเพิ่มขึ้นสําหรับท่านที่มีความเชื่อเป็นทุนอยู่แล้วก็คงได้กำลังใจเพิ่มขึ้นในการทาความดีหนีความชั่ว บางท่านต้องการความเข้าใจเสียก่อนแล้วจึงเชื่อแต่มีบางสิ่งบางอย่างที่เราต้องเชื่อเสีก่อนจึงจะเข้าใจแม้จะเชื่อไม่หมดทั้งร้อยเปอร์เซนต์ก็ตามเพราะความเชื่ออันมีอยู่บ้างนั้นทําให้เราแสวงหาความจริงต่อไปเพื่อความรู้อันทองแท้แน่นอนในทฤษฎีเรื่องความรู้ของเซนต์ออกัสตินนั้นเขาได้กล่าวไว้ว่าเราเข้าใจเพื่อจะได้เชื่อ และเราเชื่อเพื่อจะได้เข้าใจบางสิ่งบางอย่างเราไม่เชื่อนอกจากเราจะเข้าใจและก็มีบางอย่างที่เราจะเข้าใจไม่ได้เลยถ้าเราไม่เชื่อปัญญาและศรัทธานั้นต้องอาศัยซึ่งกันและกันเป็นเหตุเป็นผลของกันและกันพระพุทธศาสนาสอนเรื่องศรัทธาและปัญญาควบคู่กันไปเสมอมีศรัทธาอย่างเดียวอาจเอียงไปทางข้างงมงายได้ง่าย มีปัญญาแต่อย่างเดียวอาจล้นเกินไปหรืออติธาวันโตเป็นประเภทคนล้นไม่พอดีมนุษย์เราได้พบความก้าวหน้าในวิชาการสายอื่นๆมากแล้วก็จริงแต่ในเรื่องชีวิตเรื่องจิตใจมนุษย์ยังมีความรู้น้อยเหลือเกินกล่าวได้ว่ามนุษย์ส่วนใหญ่ยังอยู่ชั้นอนุบาลของโรงเรียนชีวิตจิตมนุษย์ส่วนใหญ่ยังยาวอยู่มาก เยาาต่อความเป็นไปแห่งชีวิตของตนและของคนทั้งหลายอื่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตมากมายหลายเรื่องจึงทำให้พวกเขาพิสวงงงงวยเป็นอันมากทำนองเดียวกับเด็กที่งงต่อเหตุการณ์มากอย่างซึ่งผู้ใหญ่เห็นเป็นเรื่องธรรมดาทั้งนี้เป็นเพราะคนส่วนมากไม่สนใจต่อเรื่องของชีวิตวิญญาณสนใจแต่เรื่องปากท้องและสิ่งมอมเมาต่าง ขาดการพัฒนาทางจิตแม้ท่านผู้ได้บรรลุความเจริญสูงสุดในทางจิตเช่นพระพุทธเจ้าเป็นต้นได้ชี้บอกแนะนำไว้แล้วก็ตามมนุษย์ส่วนใหญ่ก็หาได้นำพาต่อคำตักเตือนชี้แนะพร่ำสอนนั้นไม่เหมือนเด็กน้อยไม่เข้าใจและไม่นำพาต่อคำห้ามปรามสั่งสอนของพ่อแม่เอาแต่กินนอนเที่ยวเล่นสนุกสนานเท่านั้น เพราะเขายัางเยาวเกินไปไม่อาจเข้าใจเหตุผลของพ่อแม่หรือผู้ปกครองได้การลโทวและรางวันแห่งชีวิตนั้นเป็นกระบวนการธรรมชาติของหลักกรรมและการเกิดใหม่มนุษย์จะเข้าใจชีวิตให้แจ่มแจ้งมิได้เลยถ้าขาดความเข้าใจอย่างแท้จริงในเรื่องหลักกรรมและการเกิดใหม่การศึกษาการเรียนรู้การสังเกตทดสอบเรื่องกรรมและสังสารวัต จึงเป็นกุญแจอดอกสาคัญไขไปสู่ความสว่างสวัยในปัญหาชีวิตยิ่งผู้ที่ฝึกจิตให้สะอาดสงบและสว่างได้มากเพียงใดก็จะสามารถเข้าใจชีวิตทั้งในอดีตอนาคตและปัจจุบันมากขึ้นเพียงนั้นความเข้าใจเรื่องชีวิตมีคุณค่าสูงกว่าความเข้าใจเรื่องอื่นๆเพราะเป็นปัใจจัยให้ชีวิตได้พบกับความสงบร่มเย็น ชนิดที่ผู้ไม่เข้าใจไม่อาจพบได้เลยเรื่องหลักกรรมและสังสารวัตรเป็นสิ่หนึ่งของพระพุทธศาสนาคือเป็นสิกโลกียะเมื่อนำเอาหลักอริยศาสตร์มาพิจารณาเรื่องตายเกิดก็เป็นเรื่องของอริยศาสตร์สองข้อต้นคือทุกข์กับสมุทยัยกล่าวคือตัณหาอันเป็นเหตุให้คนและสัตว์ยังต้องเกิดต่อไปเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องทุกข์ต่อไป ในราตรีที่ตรัสรู้นั้นพระพุทธเจ้าทรงได้ญาณสาญาณสองข้อต้นก็เป็นพยานอันเกี่ยวกับการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ทั้งหลายและของพระองค์เองส่วนญาณที่สาคืออสวัขยญาณเป็นพยานอันเป็นไปเพื่อความสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดถ้าการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีคนเราเกิดมาเพียงชาติเดียวแล้ว การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าจะมีความหมายอะไรนักหนาถ้าการเวียนไหวตายเกิดไม่มีคนเราเกิดมาเพียงชาติเดียวแล้วการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าจะมีความหมายอะไรนักหนานิโรธละมัคจะเป็นธรรมอันประเสริฐได้อย่างไรแต่เพราะมีกรรมมีการเวียนไหวตายเกิดนั่นเองอริยสัตว์สี่จึงเป็นพระยานอันล้าลึกของพระบรมศาสดา บางคนกล่าวว่าที่ว่าความเกิดเป็นทุกขนั้นหมายถึงความเกิดขึ้นของกิเลสตัณหาในใจความเกิดขึ้นของอาหารการมมมังการคือความยึดมั่นว่าตัวเราของเราไม่ใช่การเกิดจากท้องแม่ความเห็นนี้มีส่วนถูกเหมือนกันแต่แคบไปเพราะการเกิดจากท้องแม่ก็เป็นทุกขเหมือนกันอย่างที่เห็นเห็นกันอยู่แล้วอันหนึง่ง ถ้าถือว่าความเกิดที่ตรัสในนิเทศแห่งอริยสัจหมายถึงการเกิดขึ้นของอาหารการ ม, ามังการแล้วความแก่และความตายก็ควรจะหมายถึงความแก่และความตายของอาหางการ ม, ามังการด้วยเหมือนกันความตายของอาหารการ ม, ามังการเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ด้วยหรือควรจะเป็นสุขอย่างยิ่งดังพระพุทธพจน์ที่ว่าอาสมิมาณสวินโยเอตังเวปรามังสุขัง การถอนอสมิมานะเสได้เป็นความสุขอย่างยิ่งอีกอย่างหนึ่งในนิเทศแห่งชาติแต่มหาสติปัฏฐานาสูตรก็ระบุชัดว่าหมายถึงการเกิดจากท้องแม่มีพระพุทธพจน์ดังนี้ภิกษุทั้งหลายทุกข อ, อริยสัจเป็นฉนไหนความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ที่ว่าความเกิดนั้นเป็นฉไหน หมายถึงความเกิดขึ้นการอย่างลงการบังเกิดขึ้นใหม่ของสัตว์ทั้งหลายในพวกสัตว์นั้นๆคือการปรากฏขึ้นแห่งขันการมีอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจพระพุทธภาสิทธนี้บ่งชัดทีเดียวว่าหมายถึงการเกิดเป็นตัวตนจากท้องมารดานอกจากนี้ยังมีหลักฐานอื่นๆ อ, อ, อีกมาก อันแสดงว่าความเกิดที่พระพุทธเจ้าตรัสนั้นหมายถึงการเกิดเป็นตัวตนเป็นบุคคลมีขันและอายตนะการเวียนว่ายตายเกิดจะสิ้นสุดลงก็ต่อเมื่อบุคคลผู้นั้นได้พัฒนาจิตถึงที่สุดละกิเลสตัณหาได้สิ้นเชิงสิ้นกรรมอันเป็นเหตุให้เกิดอีกเรื่องกิเลสกรรมและการเวียนว่ายตายเกิด จึงมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดและอย่างจำเป็นคือแยกกันไม่ได้หลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดหรือสังสารวัตรจัดเป็นหลักคำสอนอย่างหนึ่งของพระพุทธศาสนาดังพรนานามาดังนี้